นิมิตขณะใกล้ตายจิตในภพใหม่มีสองชนิดคือจิตที่เกิดในปฏิสนธิการเวลาเริ่มปฏิสนธิและจิตที่เกิดในประวัติการเวลาหลังจากปฏิสนธิไปจนถึงเวลาจุติซึ่งเกิดต่อเนื่องกันยาวนานตลอดชีวิตปฏิสนธิจิตมีสิบเก้าดวงคือในอบายภูมิมีวิปากจิตหนึ่งดวง ในกายวจรภูมิมนุษย์โลกและเทวโลกมี9ดวงในรูปาวจรภูมิมีห้าดวงและในอรูปาวจรภูมีสี่ดวงส่วนจิตที่เกิดในประวัติการที่เป็นวิปากจิตมี32ดวงแต่จะไม่นำมาแสดงในที่นี้เพราะเป็นเรื่องที่ทำความเข้าใจได้ยากสำหรับบุคคลที่ ไม่ได้ศึกษาพระอภิธรรมมาก่อนบุคคลที่ใกล้จะตายมักมีอารมณ์สามชนิดมาปรากฏให้เห็นคือภาพของกรรมที่เคยทำในอดีตภาพสิ่งที่เกี่ยวกับการทํากรรมในอดีตและนิมิตที่เกี่ยวกับพบใหม่อย่างใดอย่างหนึ่งกรรมอาจมาในรูปของการหวนคิดถึงเหตุการณ์ในอดีตหรือภาพหลอนในปัจจุบัน เช่นชาวประมงอาจพูดเหมือนกำลังจับปลาอยู่หรือคนที่ชอบให้ทานอาจคิดว่ากำลังให้ทานอยู่เมื่อหลายปีก่อนข้าพเจ้าได้นำคณะผู้สแสวงบนกลุ่มหนึ่งจากเมืองเชเวโบไปนมัส ก, การพระเจดีในบันดาเลและย่างกุ้งหลังกลับจากเดินทางแล้วไม่นานชายชราคนหนึ่งในคณะได้ถึงแ ก, ก่กรรมลง ก่อนตายเขาได้พูดพึมพำถึงประสบการณ์ในระหว่างเดินทางจาริกสแสวงบุญนอกจากนั้นคนใกล้ตายอาจเห็นนิมิตและสิ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับกรรมที่เคยทำในอดีตเช่นคนที่เคยถวายทานอยู่เป็นประจำก็อาจเห็นจีวรวัดวาอารามพระพุทธรูปพระภิกษุเป็นต้นส่วนคนที่เคยทำฆาตกรรมก็อาจเห็นอาวุธสถานที่เกิดเหตุ เหยื่อที่ถูกฆ่าเป็นต้นหรือเขาอาจเห็นนิมิตของสถานที่ที่จะไปอุบัติในภพหน้าเช่นถ้ามีนรกเป็นที่ไปก็อาจเห็นเปลวไฟหรือในายนิรยบาลแต่ถ้าจะได้ไปเกิดในเทวโลกก็อาจเห็นเทวดาหรือวิมานเป็นต้นครั้งหนึ่งเพื่อนได้บอกพ ร, รามผู้มีมิจฉาทิฏฐิที่ใกล้จะตายว่าภาพเปลวไฟซึ่งเป็นนิมิตที่เขาเห็นนั้น เป็นเครื่องหมายของพลมโลกแต่เมื่อตายลงไปกลับปรากฏว่าได้ไปบังเกิดเป็นสัตว์นรกด้วยเหตุการณ์ดังกล่าวมานี้ความเชื่อที่ผิดผิดจึงเป็นสิ่งน่ากลัวโดยแท้เล่ากันว่าบางคนได้นำเพื่อนที่กำลังจะตายให้นึกถึงภาพที่ตนกำลังฆ่า ว, วัวทำบุญบูชายัน โดยคิดว่าการกระทําเช่นนั้นจะช่วยให้ไปเกิดในภพที่ดีได้แต่ความจริงกลับทำให้จิตเศร้าหมองและจิตที่เศร้าหมองแล้วย่อมส่งผลให้ไปเกิดในทุกขติภูมิตามสภาวะที่เศร้าหมองของตนในสมัยพุทธกาล มีอุบาสกห้าร้อยคนอาศัยอยู่ในกรุงพาราณสีแต่ละคนมีบริวารห0 0ร้คนอุบาสกผู้เป็นหัวหน้าชื่อว่ามหาธรรมิกะอุบาสกเขามีบุตรชายและบุตรหญิงอย่างละเจ็ดคนทุกคนล้วนปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระพุทธองค์เมื่อมหาธรรมิกะอุบาสกซึ่งชรามากนั้นได้เกิดล้มป่วยหนักใกล้ตาย ได้นิมนต์พระภิกษุให้มาสวดที่บ้านของตนในขณะฟังสวดอยู่นั้นมหาธรรมิกาอุบาสกได้เห็นราชรสจากสวรรค์มารอรับอยู่จึงกล่าวกับเทวดาที่มารอรับว่าโปรดร อ, อก่อนขอรับฝ่ายภิกษุที่กำลังสวดมนต์อยู่คิดว่ามหาธรรมิกาอุบาสกขอให้รอก่อนจึงได้หยุดสวดบุตรและธิดาของเขา ได้พากันร้องไห้เพราะคิดว่ามหาธรรมิกะอุบาสกพรั่มเพริ ด, ด้วยความกลัวตายเมื่อพระพิสุได้กลับไปแล้วมหาธ ร, รมิกะอุบาสกได้บอกให้โยนพวงมาลัยขึ้นไปปรากฏว่าพวงมาลัยลอยค้างอยู่ในอากาศมหาธรรมิกะอุบาสกจึงอธิบายว่าพวงมาลัยครองอยู่ที่บนราชรสที่มาจากสวรรค์ชั้นดุสิต และหลังจากที่ได้ให้โอว่าสัส่งสอนบุทธทิดาให้ทำแต่บุญกุศลแล้วเ้าก็สิ้นชีวิตแล้วไปบังเกิดบนสวรรค์ชั้นดุสิตนี้เป็นตัวอย่างคตินิมิตของสวรรค์ที่ปรากฏแก่คนดีในขณะใกล้ตายอีกตัวอย่างหนึ่งเป็นเรื่องของชายคนหนึ่งในเมืองมอลแมงเมื่อเวลาใกล้ตายได้กล่าวว่าเขาเห็นเรือนหลังใหญ่สวยงาม นิมิตนี้หมายถึงเทวโลกเช่นเดียวกันหรือที่พำนักของบิดามารดาในพบใหม่ก็อาจได้เกิดเป็นมนุษย์ทัานสยาดอพระอาจารย์รูปหนึ่งในเมืองมอละแมงได้ถูกโจนฆ่าตายหลังจากนั้นอีกสามปีมีเด็กจากเมืองมายิดมารบเร้าให้บิดามารดาเดินทางไปส่งที่มเมืองมอละแมง เด็กคนนี้สามารถบอกชื่อของสยาดอหลายรูปที่เคยอยู่ในวัดเดียวกันในพบก่อนได้เขาเล่าว่าเมื่อโจรไม่ได้เงินจากเท่าตามต้องการจึงได้แทงเขาเขาได้วิ่งหนีไปที่ท่าน้ำแล้วลงเรือไปที่เมืองมายิดอาศัยอยู่ที่บ้านของพ่อแม่ในปัจจุบันการวิ่งหนีและการลงเรือเป็นต้นนี้ เป็นคตินิมิตของท่านสยาดอนั่นเองในกรณีของการตายอย่างกระทันหันก็อาจมีการหวนคิดถึงกรรมในอดีตหรือเห็นคตินิมิตได้เช่นเดียวกันในคำพีอัธกถาได้กล่าวว่าแม้มแมลงวันที่เกาะอยู่บนท่อนเหล็กได้ถูกทุบด้วยไม้ค้อนจนแหลกละละเอียดก็ยังมีกรรมกรรมนิมิต และคตินิมิตปรากฏให้เห็นทุกวันนี้มีระเบิดปรามาณูที่มีอนุภาพทำลายเมืองใหญ่ให้กลายเป็นเท่าฐานได้ในพริบตาเดียวคนที่ตายในระเบิดก็สามารถเห็นกรรมกรรมนิมิตและคตินิมิต ด, ด้วยเหมือนกันนิมิตนี้อาจเป็นเรื่องเหลือเชื่อสำหรับคนที่ไม่รู้กระบวนการของจิตอย่างละเอียดแต่สำหรับผู้ปฏิบัติธรรม ที่กำหนดรู้รูปนามอยู่อย่างจดจ่อต่อเนื่องก็จะเชื่อได้โดยไม่ยากนักเพราะคำพีทางพระพุทธศาสนาระบุไว้ว่าจิตมีการเกิดดับถึงแสนโกธขณะในชั่วเวลาเพียงพริบตาเดียวหรือสายฟ้าแลบครั้งเดียวผู้ปฏิบัติธรรมที่บรรลุอุทธพยาญานจะรู้เห็นด้วยตนเองว่าจิตเกิดดับเป็นร้อยๆยครั้งในช่วขณะเดียว เขาย่อมเชื่อมั่นว่าผู้ที่ตายอย่างกระทันหันมีโอกาสได้เห็นกรรมกรรมนิมิตและคตินิมิตอย่างแน่นอนในเรื่องนี้สามารถอธิบายได้ว่าวิญญาณจะต้องเกาะเกี่ยวอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งอยู่เสมอจึงจะเกิดขึ้นได้เรามักจะจำสิ่งที่เคยทำมาในอดีตและบางครั้งอาจคิดถึงโลกสวรรค์บ้างหรือโลกมนุษย์บ้าง หากผู้ที่เคยทำกรรมไว้ได้ตายลงในขณะคิดถึงกรรมดีในอดีตก็จะได้เกิดเป็นเทวดาหรือมนุษย์อารมณ์ในขณะก่อนตายที่เกี่ยวกับพบหน้าเรียกว่าคตินิมิตและภาพของสิ่งที่เกี่ยวกับกรรมในอดีตเรียกว่ากรรมนิมิตไม่เพียงแต่ในคมพีอัตถกถาเท่านั้นที่กล่าวถึงนิมิตไว้ในขณะก่อนตายแม้ในพระบาลีก็ตรัสเรื่องนี้ไว เช่นในพานบันดิตสูตรและพระสูตรอื่นๆของพระพุทธองค์ได้ตรัสเกี่ยวกับความทรงจำเรื่องบุญหรือบาปที่เคยทำมาในขณะใกล้าตายทรงอุปมาว่าเหมือนเงาภูเขาที่ทอดไปบนพื้นปฐพีในเวลาเย็นซึ่งไม่มีใครสามารถกำจัดให้หายไปได้ครั้งหนึ่งข้าพเจ้าเห็นหญิงคนหนึ่งในขณะใกล้าตาย ได้แสดงความหวาดกลัวอย่างรุนแรงราวกับว่ากำลังเผชิญหน้ากับศัตรูที่มุ่งทำร้ายเธออย่างทารุณโหดร้ายเธอผู้นี้กลัวจนพูดไม่ออกแม้ญาติพี่น้องจะพยายามปลอบโยนก็ไม่ช่วยให้ดีขึ้นที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะได้เห็นคตินิมิตที่ไม่ดีซึ่งเป็นผลของกรรมชั่วในอดีตก็เป็นได้ ปฏิสนธิวิญญาณในกรรมภูมิดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องกระทาแต่กรรมดีซึ่งเป็นเหตุให้เกิดกรรมกรรมนิมิตและคตินิมิตที่ดีในขณะก่อนตายถ้าการกระทำกรรมดีนั้นประกอบด้วยความเห็นที่ถูกต้องมีกุศลเจตนาที่แน่วแน่และเป็นกรรมวจรมหากุศลจิตดวงใหม่ดวงหนึ่งในแดดวง ก็จะเป็นปัจจัยให้เกิดปฏิสนธิวิญญาณที่ประกอบด้วยปัญญาดวงใดดวงหนึ่งในสี่ดวงญาณสัมปยุตการเกิดในภพใหม่ก็จะเป็นไปพร้อมด้วยเหตุสามคืออโมหะความไม่หลงปัญญาอโทสะความไม่โกรธและอโลภะความไม่โลภบุคคลที่ปฏิสนธิด้วยเหตุสามนี้ จะสามารถบรรลุฌานและอภิญญาได้โดยง่ายหากเขาเจริญสมถกรรมฐานหรือหากเจริญวิปัสสนาก็สามารถจะบรรลุมรรคผลและนิพพานได้การทำกรรมดีโดยมีความปรารถนาพระนิพพานเป็นแรงจูงใจจะชักนำให้เกิดใหม่ในภพภูมิที่ดีมีโอกาสศึกษาธรรมะและ ที่สุดคือบรรลุถึงพระนิพพานด้วยการเจริญวิปัสนาหรือการได้สดับพระธรรมเทศนาหากเจตนาในการทําดีนั้นไม่หนักแน่นหรือไม่ประกอบด้วยปัญญาเช่นการทําบุญที่ไม่ประกอบด้วยความเชื่อในกรรมและผลของกรรมก็จะส่งผลให้เกิดวิปากจิตที่ไม่ประกอบด้วยปัญญายานวิปยุตสี่ดวงซึ่ง การเกิดใหม่ก็ย่อมไม่ประกอบด้วยอมโมหะเหตุและเมื่อปราศจากอมโมหะเหตุแล้วการเกิดดังกล่าวก็ย่อมจะเป็นไปด้วยเหตุเพียงสองอย่างคืออโลภะและอโทสะเท่านั้นบุคคลประเภทนี้เรียกว่าทวิเหตุกะปฏิสนธิบุคคลที่เกิดด้วยเหตุสองซึ่งจะไม่สามารถเจริญฌานได้ และไม่ประกอบด้วยปัญญาที่สามารถเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้ส่วนการทํากรรมที่ไม่ประกอบด้วยปัญญามีความตั้งใจน้อยเป็นเพียงแต่ทําไปเท่านั้นย่อมไม่ส่งผลให้เกิดปฏิสนธิจิตที่ประกอบด้วยกุศลและเหตุคือปาสจากทั้งอโลพาอโทสะและอโมหะบุคคลประเภทนี้ถ้าได้เกิดในสุขติภูมิ ก็อาจมีร่างกายพิกลพิการเช่นตาบอดหูหนวกเป็นต้นดังนั้นในขณะที่ทำกรรมดีเราจึงควรกระทำด้วยความกระตือรือร้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อบรุพระนิพพานและถ้ามีจิตที่มุ่งไปสู่พระนิพพานกรรมดีย่อมจะชักนำไปในทางที่ถูกต้องและความตั้งใจที่มีกำลังจะนำพาให้ ไปเกิดในภพใหม่ด้วยกุศ ล, ละเหตุสโดยไม่จำเป็นต้องอธิษฐานให้เกิดเป็นคนมีปัญญาเพราะกรรมที่ดีได้กระทำด้วยปัญญาและเจตนาที่เข้มแข็งจะเป็นเหตุให้ความปรารถนานั้นสำลิดผลปฏิสนธิวิญญาในเรื่องนี้เป็นวิปากจิตที่ประกอบด้วยปัญญาแต่หากทำกรรมดีโดยมีเจตนาที่อ่อน หรือทาโดยไม่ตั้งใจก็จะไปปฏิสนธิด้วยเหตุสองคืออโลภะเหตุอโทสะเหตุเท่านั้นบางคนกล่าวว่าทานและศีลหมายถึงปุญญาพิสังขารและเนื่องจากปุญญาพิสังขารมีอวิชชาเป็นปัจจัย จึงย่อมนำพาให้เกิดพบใหม่และทําให้ต้องวนเวียนอยู่ในสังสารทุกข์อย่างไม่รู้จบความเห็นดังกล่าวนี้เป็นความเห็นที่เกิดจากความไม่รู้เพราะหากการให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาโดยตั้งความปรารถนาว่าอิทังเมปุญญง น, นิพานัตสสะปั จ, จโยโหตุขอให้กุศลของข้าพเจ้านี้จงเป็นปัจจัย เพื่อการบรรลุพระนิพพานหรืออิทางเมปุญญังอาสวัคยาวะหังโหตุขอให้กุศลของข้าพเจ้านี้จงนำมาซึ่งความสิ้นอาสวะนั้นมีความปรารถนานิพพานเป็นแรงจูงใจก็จะส่งผลให้เกิดใหม่เป็นผู้ที่มีปัญญาและช่วยให้บรรลุความปรารถนาที่สูงสุดได้ พระสารีบุตรและสาวกองค์อื่นๆก็บรรุพระนิพพานด้วยกุศลที่ได้บำเพ็ญมาในอดีตทั้งสิ้นแม้พระประเจกับพุทธเจ้าทั้งหลายท่านก็บรรุ ด, ด้วยบุญดังกล่าวเช่นเดียวกันบุญกุศลที่กระทำเพื่อความหลุดพ้นจากวัฏสงสารนี้เรียกว่ากุศลที่อาศัยวิวัตร แม้พระโพธิสัตว์เองก็ได้บรรลุด้วยการปฏิบัติอย่างเดียวกันนี้โดยอธิษฐานให้การบำเพ็ญบารมีเป็นไปเพื่อเป็นเหตุของการบรรลุสัพพัญญุตยานโดยกล่าวว่าอิททางเมปุญญังสัพพัญยุตยาณัสสะปัจจโยโหตุขอให้บุญกุศลของข้าพเจ้านี้จงเป็นปัจจัยเพื่อการบรรลุสัพพัญญุตยานเถิด ในกรณีนี้การปฏิสนธิของพระโพธิสัตว์ย่อมประกอบด้วยเหตุสามคืออโมหะอโทสะและอโลภะอันหนึ่งในปฏิสนธิจิตดังกล่าวยังแบ่งออกเป็นสองชนิดคือปฏิสนธิจิตที่เกิดพร้อมกับความดีใจสมนัตอย่างหนึ่งและปฏิสนธิจิตที่เกิดพร้อมกับความวางเฉย อุเบกขาอีกอย่างหนึ่งอีกทั้งยังเป็นจิตที่เกิดเองโดยไม่มีการชักนากล่าวคือเป็นปฏิสนธิจิตที่เปี่ยมด้วยพลังความตั้งใจที่แรงกล้าหรือเป็นจิตที่ไม่กระตือหรือร้อนในการทำความดีในคำพีอัตถกถาฉบับก่อนมหาอัตถกถากล่าวไว้ว่า ปฏิสนธิจิตของพระโพธิสัตว์เกิดพร้อมด้วยความสมนัตเพราะพระองค์ทรงมีความประสมอย่างแรงกล้าที่จะช่วยเหลือมวลมนุษย์ทั้งปวงทั้งกรอบด้วยความเมตตาต่อสรรพสัตว์อย่างไม่ประมาณความเมตตาที่แรงกล้านั้นมักจะประกอบด้วยสมนัตดังนั้นปฏิสนธิจิตของพระโพธิสัตว์จึงเป็นจิตที่เกิดพร้อมด้วยสมนัต อีความเห็นหนึ่งคือพระมหาสีวะเถระสันนิษฐานว่าปฏิสนธิจิตของพระโพธิสัตว์น่าจะเกิดพร้อมด้วยอุเบกขาในความเห็นของท่านนั้นจิตของพระโพธิสัตว์มีความแน่วแน่และลึกซึง้งจึงมีลักษณะของอุเบกขามากกว่าสมนัตไม่ว่าจะประกอบด้วยอุเบกขาหรือสมนัตก็ตาม ปฏิสนธิวิญญาณของพระโพธิสัตว์ย่อมเริ่มต้นมาจากการกระทำดีที่มีความปรารถนาจะตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นแรงจูงใจดังนั้นแม้ปุญญาพิสังขารที่เป็นไปเพื่อการตรัสรูน้นี้จะนำไปสู่การเกิดใหม่ก็ตามแต่ก็ไม่ทำให้สังสารวัฏยืดยาวออกไป หากกลับจะช่วยให้หลุดพน้นจากสังสารวัตรได้เสียอียปฏิสนธิวิญญาณในรูปภูมิและอรูปภูมิในส่วนรูปภูมิมีปฏิสนธิวิญญาณห้าอย่างคือรูปาวจรวิปากจิตห้าดวง ซึ่งเกิดจากปุญญาภิสังขารที่เป็นรูปาวจรกุศลกล่าวคือปฐมฌานปฏิสนธิวิญญาณเกิดขึ้นในพรหมโลกชั้นปฐมฌานภูมิสามชั้นด้วยปฐมฌานกุศลทุติยฌานและตะติยฌานปฏิสนธิวิญญาณเกิดขึ้นในทุติยฌานภูมิสามชั้นด้วยทุติยฌานและตะติยฌานกุศล จตุตถชานปฏิสนธิวิญญาณเกิดขึ้นในตติยชาญภูมิสาชั้นด้วยจะตุตถชานกุศลที่จริงแล้วปฐมชาญภูมิสามชั้นทุตติยชาญภูมิสามชั้นและตะติยชาญภูมิสามชั้นที่กล่าวถึงนี้เป็นภูมิชั้นเดียวกันแต่ต่างกันโดยอนุภาพที่น้อยปานกลางและยิ่งใหญ่จึงกล่าวไว้สามชั้น ส่วนปัจจมชฌานปฏิสนธิวิญญาณเกิดขึ้นในพรหมโลกชั้นเวหัพลาและชั้นสุทธาวาสห้าชั้นอันจำแนกเป็นอวิหาอตตปาสุทัสสาสุทสีและอากาศนิถาโดยพรหมโลกชั้นสุทธาวาสเป็นที่พำนักของอนาคามีผู้บรรลุปัจจมชฌาน และจะบรรลุ ธ, ธรรมเป็นพระอาหารหันต์พร้อมทั้งปรินิพานในภูมินั้นจึงได้ชื่อว่าสุทาวาสที่อยู่ของผู้บริสุทธิ์นอกจากนั้นยังมีพรมอีกจำพวกหนึ่งอยู่ในชั้นเดียวกับพรมเวหัพพลาเรียกว่าอสัญญาสัตย์พรมเป็นพรมที่มีเพียงรูปเท่านั้นไม่มีนามคือจิตและเจตสิก เพราะเกิดจากปัจจมะฌานกุศลที่พลายความพอใจในนามจึงอธิษฐานให้มีเพียงรูปอย่างเดียวอันหนึ่งในอรูปภูมิมีปฏิสนธิวิญญาณสี่อย่างคืออรูปาวจรวิปากจิตสี่ดวงซึ่งเกิดจากอเนชาพิสังขารและเป็นอรูปาวจรกุศล ย่อมส่งผลให้ไปเกิดเป็นอรู ป, ปรมในพรหมโลกสีชั้นตามลำดับปฏิสนธิวิญญาณในอบายภรมิส่วนผู้ที่ทำกรรมชั่วย่อมไปเกิดในอบายภูมิเป็นสัตวน์นรกเปรตอสุรกายหรือสัตว์เดรัจฉาน ด้วยกุศลกรรมที่ตนทำไว้โดยเฉพาะกรรมชั่วที่ทำไว้ในขณะใกล้ตายหรือทำไว้สม่ำเสมอเป็นอาจินกรรมมักส่งผลก่อนปฏิสนธิวิญญาณของบุคคลประเภทนี้เป็นสันติระณะจิตที่ประกอบด้วยอุเบกขาจัดเป็นอกุศลวิบากสรุปความว่า สังขารสามประการตามพระดำรัสว่าสังขารปัจจยาวิญญาณังเพราะสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณย่อมก่อให้เกิดปฏิสนธิวิญญาณ19ดวงด้วยแรงบุญและแรงบาปที่สั่งสมไว้ในกระแสจิตตามสมควร วิถีจิตที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจิตทุกดวงรวมไปถึงปฏิสนธิวิญญาณหรือจิตประเภทอื่นมีการเกิดดับติดต่อกันอย่างรวดเร็วมากจิตแต่ละดวงประกอบด้วยขณะสามคืออุ ป, ปาทขณะขณะเกิดขึ้นทิติขณะขณะตั้งอยู่และพังคคณะขณะดับไป โดยทั่วไปจิตเกิดดับถึงแสนโกรธขณะในชั่วเวลาเพียงพริบตาเดียวดังนั้นในแต่ละขณะจิตจึงมีระยะเวลาเพียงไม่ถึงหนึ่งในล้านของหนึ่งวินาทีเท่านั้นเมื่อปฏิสนธิวิญญาณดับลงแล้วจึงมีกระแสผวังข้าจิตเกิดต่อมาซึ่งจะเกิดต่อเนื่องไปจนกว่าจะมีจิตอีกประเภทหนึ่งที่เรียกว่าวิถีจิตเกิดขั้น วิถีจิตเป็นจิต ท, ที่ทําหน้าที่เห็นได้ยินเป็นต้นกระแสพะวังจะเกิดต่อเนื่องไปตราบเท่าที่ยังมีชีวิตอยู่โดยมีสังขารเป็นปัจจัยหลักเช่นเดียวกับปฏิสนธิวิญญาณความยืดยาวของกระแสพวังขึ้นอยู่กับสังขารและกรรมที่เป็นปัจจัยหลักเช่นเดียวกัน อุปมาเหมือนการโยนก้อนหินขึ้นไปในอากาศก้อนหินจะไปได้ไกลถ้ามือที่โยนก้อนหินนั้นเป็นมือที่แข็งแรงแต่จะไปได้ไม่ไกลถ้ามือไม่แข็งแรงหรืออาจจะเปรียบพลังของกรรมเหมือนกับความเร็วเริ่มต้นของกระสุนปืนหรือจรวดที่ถูกยิงออกไปและความตายก็หมายถึงการสลายไปของจิตที่มีกรรมเป็นปัจจัย เช่นเดียวกันดังนั้นปฏิสนธิวิญญาณพระวังคจิตและจุติจิตในแต่ละภพจึงเป็นจิตที่มีกรรมในอดีตเป็นมูลเหตุนอกจากนั้นกรรมในอดีตคือกรรมอื่นในปัจจุบันยังเป็นปัจจัยให้แก่วิถีจิตอันได้แก่จกักขูวิญญาณจิตที่เห็นรูปทางตาโสตวิญญาณ จิตที่ได้ยินเสียงทางหูฐานะวิญญาณจิตที่รู้กลิ่นทางจมูกชิวหาวิญญาณจิต ท, ที่ลิ้มรสทางลิ้นกายวิญญาณจิต ท, ที่รู้การกระทบสัมผัสทางกายอีกทั้งยังเกิดจิตประเภทอื่นที่เกี่ยวเนื่องกันคือสัมปติชนะจิตจิต ท, ที่รับอารมณ์สันติระนะจิตจิต ท, ที่ไต่สวนอารมณ์ ชาวณจิตจิตที่เสพอารมณ์และตถาธรรมพระณจิตจิตที่มีอารมณ์เหมือนชาวณจิตจิตทั้งหมดดังกล่าวมานี้มีมูลเหตุมาจากกรรมที่ชักนำให้เกิดและจากกรรมอย่างอื่นอีกด้วย คำพีทาตุกถาระบุว่าสังขารเป็นปัจจัยแก่จิตทุกชนิดตลอดพบหนึ่งทั้งกุศลจิตและอกุศลจิตรวมถึงกิริยาจิตซึ่งไม่ก่อให้เกิดผลกรรมด้วยเหตุผลที่สนับสนุนนี้เนื่องจากกุศลจิตเป็นต้นนั้นเกิดต่อเนื่องมาจากปฏิสนธิจิตและพวังค์จิตซึ่งมีสังขารอย่างเดียวกัน เป็นปัจจัยปรุงแต่งแต่หลักปฏิจจสมุปบาทได้อธิบายถึงวัตตะสามคือกิเลสวัตรกรรมวัตและวิปากวัตตลอดจนความเป็นเหตุเป็นผลกันอาศัยการเกิดขึ้นของวัตตะทั้งสามดังนั้นจึงได้กล่าวว่าโลกิยวิปากจิตสามสิบสองดวง ที่เป็นผลของกรรมวัตเท่านั้นจึงจัดเป็นวิญญาณที่เกิดจากสังขารข้าพเจ้าได้อธิบายปฏิสนธิวิญญาณสิบเก้าดวงซึ่งทําหน้าที่ปฏิสนธิผวางและจุติจิตมาแล้วส่วนจิตที่เหลือ13าดวงนั้นทําหน้าที่เห็นได้ยินโดยขึ้นอยู่กับการปรุงแต่งของสังขารกล่าวคือ บางดวงเป็นกุศลวิบากรับรู้อารมณ์ที่ดีน่าปรารถนาด้วยสังขารคือกุศลบางดวงก็เป็นอกุศลวิบากรับรู้อารมณ์ที่ไม่ดีไม่น่าปรารถนาด้วยสังขารคืออกุศลดังนี้เป็นต้นพึงทราบว่าตามหลักปฏิจจสมุปบาทนั้นอาวิชาและสังขารจัดเป็นอดีตเหตุคือเหตุในภพก่อน วิญญาณนามรูปอายตนะผัสสะและเวทนาจัดเป็นปัจจุบันผลคือผลในภพปัจจุบันตัณหาอุปทานและกรรมภพจัดเป็นปัจจุบันเหตุคือเหตุในภพนี้และชาติชารามรณะจัดเป็นอนาคตผลคือผลในภพต่อไป